249พระเจ้ายึดตัวตนเป็นหนึ่งเดียวจึงไม่เห็นอัตตาอื่นเห็นหรืออย่างว่าอัตตาต่างๆนั้นเป็นการยึดมั่นมาเป็นตัวตนของคนแต่ละคนผู้ยังอวิชชาอยู่ทั้งสิน้นและผู้ไม่รู้แบบพุทธวิชาก็ทำอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น เพราะความไม่รู้อวิชชาจริงๆหรือแม้ผู้มิฉาทิฏฐิก็ไม่สามารถจะเห็นความเป็นตนได้ตามสัจจะแน่และยิ่งยึดมั่นอย่างเด็ดเดียวว่าอัตตาหรืออาตมนนานั้นเป็นของพระเจ้าและพระเจ้าเป็นเจ้าของอัตตาอาตมันทุกสิ่งอย่างเป็นของตัวเองทั้งหมด ทุกอัตตาในมหาเอกภพซึ่งพระเจ้าก็มีหนึ่งเดียวอื่นใดจะมีแข่งพระเจ้าไม่ได้ชนิดที่แน่นเหนียวมั่นคงยิ่งเสียอีกการจะไปเห็นว่าอัตตาอื่นมีนั้นก็เป็นอันไม่มีทางที่จะได้ศึกษาจึงหมดสิทธิ์ที่จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอัตตา เพราะมีแต่สัพเพ ธ, ธรรมาอัตตาคือทุกสิ่งอย่างเป็นตัวเองหมดความไม่รู้นั้นไม่รู้อะไรจุดนี้แหละสำคัญยิ่งจุดแท้เนื้อแท้คือไม่รู้ความเป็นอาการของอัตตนั่นเองาศาสนาพุทธพิสูจน์อาการของความไม่เที่ยง ของความทุกข์ของความไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาได้สำเร็จอย่างเป็นจริงได้ทุกอย่างกล่าวคือเรียนรู้ความเป็นตัวตนอย่างทะลุปรุกโลงจนสามารถลดลนะความเป็นตัวตนของตนได้กระาทาั่งรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่า ตัวตนนั้นไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนอนตาเป็นอุปาทานของคนยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเองว่าเป็นตัวตนอาตาจึงมีตัวตนอยู่อย่างอาวิชชาไปชั่วการนานเพราะไม่เห็นอาตาไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงอาตา เพราะหลงความเป็นตัวเองเพราะไม่กําจัดตัวเองดูบ้างไม่เรียนรู้ตัวเองไม่เห็นความเป็นตนจึงไม่รู้ตนได้จริงจึงไม่มีปัญญาวิชาที่จะวางความเป็นตนอย่างเป็นจริง